คนที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะคำมองสี่ประการถ้าอาดีตเหตุไม่มีปัจจุบนันผลอันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมปัจจุบนันผลอันนี้ไม่มีแน่ถ้าอาดีตเหตุไม่มีถ้าปัจจุบนันเหตุไม่มีอนาคตผลต้องไม่มีนนะถ้าปัจจุบนันเหตุไม่มีอนาคตแต่ผลต้องไม่มี ที่จะไม่ให้ปัจจุบันเหตุมีทํำยังไงตัดฉันทราคาไหนพวกนี้ซะเชื่อไหมพวกภาษาทรุปพวกเกี่ยวกับทารุปเกี่ยวกับกรรมมาชรุปนะเป็นสิ่งที่เรายึดติดที่สุดเลยเชื่อไนหะมันยึดติดจริงๆนะขอให้มันเป็นของเราเถอะจะดีจะชั่วจะยังไงก็ตามเถอะขอให้มันเป็นของเรานาะอูเราติดจริงๆเลยขอให้เป็นวิบากและกรร ม, มชรุปของเรา เราติดมากๆเลยนะแต่ถ้าตัดฉันทราคาในสิ่งเหล่านี้ได้พูดง่ายๆก็คือชีวิตชีวิตตรูปเนี่ยเป็นเป็นกรร ม, มชรูปใช่ไหมเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายรักที่สุดเลยรักจริงๆแหละถ้าใครตัดฉันทราคาได้นะผู้นั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ น, นะความรู้อันนี้เป็นปัญญาที่เรียกว่าจะต้องเอามาเพ่งพิจรารณาก็ถือว่าเป็นปัญญาในท่ามกลาง ที่จะต้องตามเห็นอย่างนี้ตามเพื่อตัดฉั้นราคะในในวัตถุเหล่านี้ทีนี้ถ้าตัดฉั้นราคะได้จริงๆต้องมีมันข้ามกับอันนี้เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าจากักถ้าเป็นจักขู่ก็ต้องจกักมีจักขูนิโรธเป็นอารมณ์จึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้จริงๆตัดฉั้นราคะเหล่านี้ได้นะแค่เห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาหยุดอยู่เท่านั้นไม่พอหรอกต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอาสังขตะรำเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงจะ จึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้จึงจะตัดฉันนราคาในสิ่งเหล่านี้ได้อันนั้นแหละเป็นปัญญาที่เป็นที่สุดอันนั้นคือคำมัคคปัญญาฉั น, น, นมัคคปัญญานี้ถือว่าเป็นที่สุดเบื้องต้นก็ถ้าถามแนะนําก็คื อ, อในชีวิตที่เป็นจริงเอาเรื่องกรรมมาคิดให้มากๆเพราะกรรมนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรัมถ้ารู้เรื่องกรรมเท่าไหร่ศีลจําต้องปรารถนา ม, มากเท่านั้นศีลองค์ทําได้แก่อะไรศีลเจตนาคือศีล เราจะเริ่มสังวรเรื่องเจตนาขึ้นไรักษาเจตนาขึ้นเจตนาศีลก็ตามมาพันถ้ากรรมมศกตาดีศีลจากดีใครกรรมมศกตาไม่ดีเนี่ยนะดูได้จากศีลศีลดีกรรมมศกตาดีถ้ากรรมมศกตาไม่ดีศีลไม่ดีโดยมากเป็นเช่นนั้น อ, อยังอลาระดาบทุทธกะดาบทนั้น น, นนะยังทากรรมอยู่แต่กรรมอันนี้มีชื่อว่า อีกคนหนึ่งได้อากินจัญญายตนะอีกคนหนึ่งได้เนวะสัญญาณสัญญาญตนะพระโพธิสัตว์มองออกเลยว่าพวกนี้เป็นกรรมข้อปฏิบัติที่อราระดาบทอุตกะดาบทสอนเป็นกรรมอยู่ที่ยังให้ผลในในอุปติภพคือยังเกิดในอรูปปพรมมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านมาหานะเพราะท่านต้องการหาอยู่สองคำ นนะพระโพธิสัตว์หาอยู่สองคำถือเป็นหลักการของท่านคนะงนึกออกนะสองคำคืออะไรหนึ่งสแสวงหาหนึ่งนะสันติวรบทสองอะไรคือกุศลท่านหาสองคำนะี้สันติวรบทองธรรมนั่นแก่คือนิพพานอะไรคือกุศลคืออริยมรรค แสดงว่าท่านหาอริยมรรคกับหานเนปานเขเลยเรียวกว่าผู้สแสวงหาคุณใหญ่นี่คือท่านสแสวงหาเพราะพอท่านสแสวงหามาจนเจออากินจัญญตนะกับเนวสัญญาณาสัญญาญตนะท่านบอกว่าไม่ใช่ให้ผลเป็นเนี่ยให้ผลในอุปติภพอยู่ให้ผลเป็นอุปชาวเวทนิยกรรมอยู่ท่านไม่ต้องการท่านไม่ต้องการเพราะว่ามันให้ผลในวัตตะมันท่านไม่ต้องการวตตะ ท่านต้องการบทที่สงบจากวัตตะโดยประการทั้งปวงเนวะสัญญากับอากินจัญญายตนะนั้นนะเป็นการข่มวัตตะในระดับยาวแต่ก็ยังอยู่ในวัตตะระดับละเอียดนั้นท่านไม่ต้องการท่านก็เลยออกเพราะไม่งั้นนี่ก็อยู่ในอรูปประพรมแหมืสี่พันกับคือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงที่ถูกต้องนะ ไม่ใช่อันนั้นก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็สายไปเรื่อยไม่ใช่เขามีสูตรชัดเจนในมัคควรคถาธรรมบทชัดเจนอยู่แล้วนะสูตรก็มีง่ายๆว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานนะต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์นะเพราะมักต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์เขาก็ต้องเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะสลัดออกจากวัตฏะได้ ไม่ใช่เห็นว่าไม่เที่ยงนั่นก็ไม่เที่ยงนี่ก็เป็นทุกข์นั่นก็เป็นอนัตตาบอกพอแล้วไม่ใช่เพราะถ้าไม่เห็นบทอันสงบอย่างแท้จริงออกไม่ได้ถึงจะรู้ว่าไม่เที่ยงนิพพ า, านจะเกิดปานใดก็ตามถ้าไม่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ออกจากวัตตะจริงๆไม่ได้ก็ดังที่เคยกล่าวแบ่งแบ่งอย่างนี้นหนึ่งว่าสูตรเขามีชัดเจนนะนะ อันนี้จะเมื่อใดบุคคลตามเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงผลคืออะไรนิพิทาเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกความเบื่อหน่ายในวัตทุกนั่นเป็นอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์โสดเขาจะเป็นอย่างไงเมื่อใด เห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์นะนก็ได้เลยนิพิทาอริยมรรคแทงตลอดพระนิพพานเมือ่อใดเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาอนัตตานี่มีปัญญามากสรุปว่าถ้าเห็นโดยอ น, นิจจังนี่คืออะไรนะขยะเถนะคือโดยความเป็นของสิ้นไปทุกขังก็คือ พยาธเถนะก็คือเห็นภยัยพยาคือภัยน่ากลัวอนัตตาเนี่ยนะพวกนี้เห็นอะไรอสสารกัตเถนะอสสารแปลว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นนำมาซึ่งความเป็นภยัยสิ่งทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งมีภัยด้วยถามว่าเป็นเราไหมเป็นของเราไหมก็ไม่ใช่ถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆก็นำมาซึ่งนิพพทาเนี่ยนะความเบื่อนหน่ายเอ่อพวกนี้นะ ถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจจังเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลงุ่มเป็นวิปัสนาที่ไม่มีกําลังวิปัสนาเบื้องแรกที่ไม่มีกําลังเขาเรียกว่าตระณะอ่นนะดรุนตระณะแปลว่าแรกเริ่ม น, นะดารุณีแรกแย้มก็คือดอกไม้เริ่มบานนีถ้าเป็นพลวะตพลวะก็มีกําลังใช่ไหลังพอนิพิทานี้วิปัสนาที่เป็น พละวะอย่างเดียวแล้วนี่ก็อริยมรรตโลกุตระธรรมพูดถึงทั่วๆไปนะอารมณ์คือนิพพานเนี่ยสำคัญที่สุดผู้ที่เจริญวิปัสสนาทั้งหลายอ น, นั้น่ะมีสังขารอารมณ์มีสังข า, ารขาเป็นอารมณ์ไหเมื่อยังมีสังขารเป็นอารมณ์ยังเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตา ขณะที่มีอนิจจังทุกขงังอนัตตาเป็นอารมณ์บรรลุมรรคผลไม่ได้หรือออกจากทุกจริงไม่ได้นั้นขณะที่ทำปริญญานะขณะทำปริญญาไม่ได้ออกจากทุกอะไรเลยขณะนั้นนะถ้าตามสภาวะนะยังไม่ใช่ออกจากทุกขณะนั้นที่เจริญสมะสมรรานะสมรราะระดับฌานทั้งหลายมีอะไรเป็นอารมณ์ฌานนะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ เวน้นกรรมฐานกลุ่มพุทฐา น, นุสติแต่โดยมาสมถะมีบัญญัติเป็นอารมณ์ทั้งสมถะเนี่ยนะสมถะทั้งที่เป็นพลวะลสองอย่างเนี่ยประชุมกันให้อริยมรรคเกิดเนี่ยอริยมรรคนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจะดับกิเลสได้อย่างแท้จริงเพราัน้าไม่ไม่บรรลุอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นออกจากกิเลสไม่ได้ดั้นการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังไม่เห็นนิพพาน ออกจากทุกข์ไม่ได้อย่างที่เรียกว่านะสสเส้น เ, เห็นจักขู่สามอย่างนะอันนี้จงังทุก ข, ขังอนัตตาแค่นี้นี่ทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ต่อเมื่อขูนิโรธมีจักขูนิโรธเป็นอารมณ์แล้วนั่นแหละจึงจะทําที่สุดแห่งทุกข์ไดนน้เพราะจักขูเป็นวัตตะใช่ไหม จากขูนิโรธเป็นวิวัตะถ้าไม่แทงตรอดอดอันสงบคือจากขูนิโรธก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ด อ, อันนี้จังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่ายังเป็นตีรณะปริญญาขณะนั้นก็ถามว่าดีไหมดีแต่นี้ถ้าพูดถึงอย่าว่าจะออกจากทุกข์นะมันก็ยังไม่พอเหมือนอย่างว่าเดินทางมากรุงเทพมาถึงแถวพิณุโลกเราจะบอกว่าพอหรือยัง ก็ยัง้งแหมพ่ะจะมามากรุงเทพใช่ไหมอันนี้มาจากเหนือนะงั้นธรรมะก็อย่างนี้แหละค่อยๆศึกษาไปรีบกว่านี้ก็ไม่ได้มาดูเนติ ป, ปกรณ์ข้อสามสิบสี่หน้าหกสิบเอ็ดต่อว่าในคำากรับนมัสการถามพระอาจารย์คะ่ะก่อนจะขึ้นข้อสามสิบสี่นะคะย่อนหน้าเมื่อกี้ที่ตรงที่ว่า นิเทาพทภาคียสูตรเป็นไนการแสดงสัจจะทั้งสี่ชื่อว่านิเทาพทภาคียสูตรในวาสนาภาคียสูตรไม่มีปัญญาที่รู้โดยประการต่างๆในวาสนาภาคียสูตรตรงนี้ท่านแสดงว่าไม่มีปัญญาเลยเหรอคะ อ, ะอาจารย์ธรรอธิบายว่าไม่มีวุฒานคามินีวิปัสสนาคือไม่มีพลวะวิปัสสนา แปลว่าไม่มีนิพพิธายานเลยผู้ฟังนะผู้ฟังไม่ฟังแล้วไม่เกิดนิพพิธายานเลยนั้นคำว่าไม่มีปัญญานั้นหมายถึงไม่ใช่ว่าไม่มีญาณสัมปยุตไม่ใช่แต่หมายถึงไม่มีพละ ว, วิปัสนาก็ส่วนทั่วๆไปนั้นวาสนานี่ก็แบ่งถ้าไม่บรรลุชาตินั้นส่วนใหญ่จะใช้คําว่าวาสนาถ้าบรรลุในชาตินั้นเรียกว่าบ่มอินทรีย์ สรุปตรงนี้ว่าคําว่าไม่มีปัญญาคือไม่มีวุถานะคามินีวิปัสนาปัญญาคือไม่มีปัญญาที่ตัวเองจะประพฤติเพื่อออกจากวัตะอย่างสังเกตเห็นง่ายมากก็คืออย่างยุคนี้ก็ฟังธรรมเยอะนะแม้แต่ความตั้งใจเขาจะบรรลุเขายังไม่ค่อยจะมีมีแต่ว่าไม่ใช่ชาตินี้ก็แล้วกันะก็เรียนเยอะละลึกซึ้งกว้างขวางละแต่ว่าไม่คิดจะบรรลุอะไรจริงชาตินี้ พูดอาจจะด้วยเหตุผลว่าตัวเองไม่อาจเอื้อมบั้งอะไรบ้างตั้งเหตุผลจนตัวเองไม่ยังไม่พร้อมบรรลุว่างั้นเถอะประตูอบายยังไม่อยากปิดเท่าไหร่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเ ง, ง, ง, ง้มๆไว้บั้งก็ไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ให้วงเล็บไว้เลยว่าวุทฒานาคาม่มีวิปัสนาคําว่าไม่มีปัญญาตรงนี้หมายถึงไม่มีตั้งแต่นิพพานุปัสนาวิร า, าพวก ไม่มีนิพพิทายานมุนจิตุกรรมมยตายานปฏิสังขายามสังขารูปเปกขายานเป็นต้นน่ะนะคือไม่มียานกลุ่มนั้นน น, นคือไม่มีในระดับสูงเนี่ยนะถ้าไม่มีในระดับสูงอ่ะจะบอกว่าคนระดับสูงไม่มีอ่ ะ, ะเรียกคนล่างอ่ะไม่มีมองแบบคนอยู่สูงพูดไอ้ น, นั่นมันไม่มีแต่ว่าถ้าเทียบกับคนล่างคนนั้นก็ถือว่ายังมีะรอาจารย์ครับในวิปัสสนาญาณสิบหกขั้นนี้ บางท่านนี่อาจจะเจริญไปได้หลายขั้นแต่ว่าในชาตินั้นท่านก็ไม่สามารถจะบรรลุได้แต่ก็อาจจะเบือ่อนายอันนี้ก็ก็ยังไม่เรีย ก, กว่าเป็นเบื่อไม่เบื่อพอที่จะบรรลุไม่เบื่อพอที่จะบรรลุก็เบื่อบ้างหลายครั้งก็อยา ก, ยกเบื่อเป็นบางครั้งนั่น น, น, น, น, น, นะ <chemistry> เ, เบื่อเบื่ออยากอยากเบื่อแล้วเกินที่ต้องทานอาหารเนี่ยโอ้ได้เวลาทานอาหารมันน่าเบื่อแต่ทานแล้วก็อร่อยทุกจาน แต่จะว่าเบื่อไปหมดมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันอร่อ ย, อ, อ, ยอยู่นั่นแหละอะย่างพระนันทกะแสดงคำให้ภิกษุณีฟัง น, นะนี่ภิกษุณีห้าร้อยรูปเนี่ยบางพวกก็เป็โสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะไม่ใช่เป็นพระ้าหันพร้อมกันทีเดียวทั้งห้ารอยรูปอะไรแล้วก็อีกหลายแห่งก็ลักษณะเดียวกันคือบางพวกก็ได้เป็นพระโสดาบันบางพวกก็เป็นพระสกทาค า, ามีก็อยู่แค่นั้น ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นพรบอกเพราะความปรารถนาเดิมจริ ง, รงๆเข้าได้เท่านั้นจริงๆนะนีขอให้ในอย่างนั่งวิสาขาน่าจะบรรลุชั้นสูงไปอีกใช่ไหมอนาถคก็น่าจะบรรลุชั้นสูงไปเลยหรือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเพราะว่าเจตนาเดิมจริงๆตั้งไว้ก็ขอให้เห็นธรรมก็พอแล้วนะตั้งไว้ขอให้เห็นธรรมก็พอแล้วเหมือนอย่างว่าโยม ม, มีมีบางท่านเรียนธรรมะนะก็บอกเขารู้จักนามรูปเขาก็พอและชาตินี้ พอเขาจนเข้าใจว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นรูปเขาก็เลิกจริงๆเพราะเขาตั้งไว้แค่นั้นจริงๆอ่ะนะเออทาไมมันตั้งไว้ต่ำยังกับรู้นะน่าจะตั้งไว้ที่อารหัตมรักษ์นะได้โสดาบันก็ยังดีใช่ไหมก็ความปรารถนาความตั้งใจเนี่ยนะเป็นตัวกั้นกั้นมากจริงๆโดยที่สุดแม้กระทั่งการศึกษาพระธรรมนี่เราเห็นเลยบางคนตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองจนไม่ได้ศึกษาอ่ะนะ อ ย, อย่างบางคนนะเขามาแปลกใจยอยู่คํานึงก็บอกว่าเออนเนี่ยไปฟังท่านพูดไม่รู้เรื่องหรอกท่าไม่ได้เรียนอภิธรรมมาก่อนเขบาบอกงั้นเออกฎเกณฑ์นี่ไขตั้งขึ้นก็ไม่ทราบเพราะนั้นเขาก็ต้องไปเที่ยวเรียนอภิธรรม้วก็ไม่ได้เรียนหรอกบางทีไปอยู่เฉยๆแล้วก็ทําก็ไม่ได้ฟังด้วยบอกว่าฟังท่านไม่รู้เรื่องหรอกเพราะไม่ได้เรียนอภิธรรมมาบอกเกดเกณฑ์นี่ไขไปตั้งขึ้นก็ไม่ทราบหาเรื่องตั้งจนจนเดือดร้อนตัวเองจนได้นะบางคนก็มีเหตุผลขนาดนั้นจริงๆ ซึ่งเราฟังแล้วเราก็เห็นใจเลยว่าโอ้ทำไมหาเงื่อนไขจนตัวเองกั้นในการเจริญกุศลของเราโดยประการทั้งปวงเยนะหาเหตุผลบอกไม่ได้เรียนบาลีมาอ่านพระตไตรปิฎกไม่รู้เรื่องหรอกนั่นธอตั้งเงื่อนไขไม่น่าตั้งลักษณะนั้นลองเรียนไปก่อนลองอ่านไปก่อนเนี่ย น, นะคนที่เรียนมาเขาก็ไม่ไดเรียนบริบูรณ์มาตั้งแต่แรกหรอกเขาก็ค่อยเพิ่มทีละอันทีละนิดทีละหน่อยค่อยๆหาความรู้เสริมไปเพิ่มไปอะไรไป แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะจะลําบากแค่ไหนแล้วทําไมบางคนก็บอกโยมคนหนึ่งบอกว่านี่เขาไม่ได้เรียนอภิธรรมมาเอ้าแล้วตอนที่อาตามาพูดอภิธรรมคุณไม่ได้ตั้งใจฟังเลยเลยเนี่ยคุณมัวแต่ถือว่าคุณไม่ได้เรียนมาก่อนใช่ไหมวันนี้อุตสาห์ที่บ า, ายจนวะเงั้นบอกว่าไม่ได้เรียนมาก็เลยทําเป็นไม่สนใจวะเงั้นเอา้าให้มันได้อย่างนี้ตีก็บางคนก็ตั้งเงื่อนไขยอย่างนั้นแต่ที่จริง เขาน่าจะคิดว่าเออดีแล้วที่เขาได้เรียนเรื่องใหม่ๆเนี่ยนะจะได้ยินได้ฟังสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยฟังเนี่ยนะเพราะว่าวันหลังๆฟังแล้วจะง่ายขึ้นจะเบาขึ้นก็ดีแล้วที่ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างก็น่าจะอะไรนะความเพียรประเภทริเริ่มน่าจะมีความคิดประเภทริเริ่มนะควรจะมีว่าเออดีแล้วนะเราจะได้ฟังเรื่องพิเศษพิเศษขึ้นเนี่ถ้าไม่ได้ฟังก็อดฟังเรื่องนั้นเลยอย่างงี้ยนะก็ควรที่จะมีแนวความคิดแบบนั้น แต่หาเหตุผลนะบอกนี่ถ้าไม่ไดเรียนมาหาปัฐานมาก่อนคงฟังไม่รู้เรื่องหรอกมันนี่นะถ้าเราศีลบริบไบริบูรณ์จริงจริงอันนี้มันรู้ไม่ได้หรอกตั้งไปตั้งมาก็ต้องไปต้องฟังมันแล้วเทนี้ถามว่าเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมแล้วเสียหายไหมก็มาคิดดูแล้วทำไมเราต้องดูถูกตนพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วไม่บรรลุนะด้วยเหตุผลหนึ่งไม่เคารพตัวเอง คือดูถูกตัวเองอ่ะนะเฮ้ยอย่างเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยนะก็ดูหมิ่นตนสองดูหมิ่นผู้แสดงสามดูหมิ่นพระธรรมพระธรรมนั้นนะนะจะดูหมิ่นหรือจะยังไงก็ตามเถอะเหตุผลสามประการนี้ฟังแล้วบรรลุไม่ได้อ่านะทำไมเราต้องดูถูกตัวเองทําไมต้องดูถูกผู้แสดงแล้วทําไมดูถูกพระธรรมล่ะทําไมดูถูกคําสอนนั้นนั้นอ่านะพันคำว่ายากเกินไปเนี่ยนะคําพูดเชื่อไหมไม่ใช่ชมหรอกคํานั้น เขาพูดด้วยโทสะส่วนใหญ่ยากเกินไปเมตตาไหมคำนั้นถ้าถ้าเอาสภาพจิตมานะว่าจิตเสียงอันนั้นที่เปล่งออกมามีจิตประเภทใดเป็นสมุทฐานวิเคราะห์ไปดูแล้วเออก็สมควรแล้วล่ะที่ไม่ได้ฟังกลับนวัสการ์ไพาจาร์ค่ะขอย้อนกลับไปที่วาสนาพาคิยปัญญาอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าอย่าง พระโพธิสัตว์นี้บางชาติท่านก็เจริญวิปัสสนาจนถึงสังขารุปเปฆายานก็มีแต่ว่าความปรารถนาของท่านเป็นเครื่องกัน้นอันนี้จัดเป็นวาสนาภาคยะปัญญาอยู่หรือเปล่าคะก็เป็นเป็นวาสนาภาคยะเป็นการบ่มบ่มบารมีบ่มอินทรีย์เนี่ยนะจะว่าเป็นเครื่องกั้นก็กระไรอยู่เพราะว่าไอความปรารถนาที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมันมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะ ที่จะบรรลุแบบน้อยๆ น, นะก็เหมือนกับคนบางคนไปสแสวงหาสิ่งที่มันดีที่สุดประเสริฐที่สุดสูงสุดไปเจอของระดับล่างๆก็ก็ไม่เอาเนี่ยนะไปเจอของระดับล่างๆก็เพราะว่าไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการแม้แต่อย่างที่โยมเล่าว่าไปซื้อของได้ไม่ไม่อย่างที่ต้องการก็ไม่เอาอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ต้องการมันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะแม้กระทั่งไปซื้อหนังสือขาตริดกเนี่ยนะ ต้องการปกแข็งอะแต่ก็เอาเล่มปกอ่อนมาให้อยอาไหมเอาอ่ะมันหลังจะมาเอาใหม่ก็ต้องยอมนี่ยไงพรเราต้องการถ้าใดไปดกปกแข็งไม่ได้ต้องการปกอ่อนเนี่ยนะเนื้อในเหมือนกันหมดเจ้าค่ะอยากจะกราบเรียนถามว่าดูหมิ่นพระธรรมเนี่ยดูหมิ่นอย่างไรเจ้าค่ะที่จะเรียกว่าดูหมิ่นดูหมิ่นพระธรรมก็คือยากเกินไปหนึ่งสองง่ายเกินไปสามรู้ละเนี่ยนะเนี่ยนะพวกกลุ่มเนี้ยพวกพวกดูหมิ่นพระธรรมอันะั รู้แล้วรู้ว่ายังไงพระพุทธเจ้าสมมติว่าอย่างนะเกิดแก่เจ็บตายใครมั่งไม่รู้เอาเออเนี่ยอย่างเบอกเกิดแก่เจ็บตายโอ้ฟังแล้วรู้แล้วพระโพธิสัตว์ท่านรู้เกิดแก่เจ็บตายแล้วท่านบรรลุนิพพานน่ยของเรารู้เกิดแก่เจ็บตายทําไมไม่บรรลุอะไรสักอย่างเรารู้ว่ายังไงแล้วท่านรู้ว่ายังไงเนี่ยนะอันนี้แหละที่เราจะต้องหมั่นสอบสวนให้เป็นไข่ค ร, ครววให้เป็นกลับมามศกการพระอาจารย์เจ้าค่ะข้อสามบอกว่าอย่าดูหมิ่นผู้แสดงทีนี้จะทราบได้อย่างไรจะ พินจพิจารณาได้อย่างไรว่าผู้แสดงท่านใดที่เราไม่ควรจะดูหมิน่นคือท่านทันท่วๆไปนะเขาก็ถามว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนั้นใช่ไหมแล้วก็เอาใครพูดเอาโอ้เด้ยินชื่อปับ๊บไม่ไปละนะแ ล, ละ้จะพูดเรื่องอะไรก็ช่างนะเพราะไม่ชอบผู้แสดงเป็นการส่วนตัวหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะแต่ทีนี้ว่าผู้แสดงเนี่ยแสดงผิดแสดงถูกแสดงอะไรเนี่ยเราก็อย่างว่านะ ถ้าเราไม่เอาพระตไตรปดกเป็นมาตรฐานแนละ้วเราจะรู้ได้อย่างไรเพราะความน่าเชื่อถือเออมันก็น่าเชื่อถืออ่ะมันก็ตามเหตุตามผลอนะ่ะที่เราตรองตามเห็นได้อ่ะแบบเรานะตรองด้วยนิวร์นะันิวร์มันยอมรับได้อย่างไงนะก็ไม่รู้เอาอะไรเป็นเครื่องวัดนะถ้าอย่างยุคนี้เนี่ยธรมมังสารนังคัจฉามิคือปริยัติธรรมเนี่ยควรจะแม่นควรจะแม่นยำจริงๆควรที่จะศึกษาเรียนรู้ทรงจํา ในยุคนี้นะสิ่งที่เราพอเป็นสารณะประตูเบื้องแรกที่พอจะเห็นได้เลยคือพระปริยัติอย่างบางท่านเนี่ยฟังแล้วเห็นใจเข้ามากเลยเขาบอกเขาไม่อยากรู้บัญญัติเขาอยากรู้แต่ปรามัดเขาเขาไม่ต้องการบัญญัติเพราะบัญญัติมันเยอะมากมันเรื่องมากานะเขาก็เลยเขาอยากเอาแต่ปรมัตดก็พ อ, อนะจริงๆเขาก็ได้ปรามัดไปแล้วละ่ะนะน้ำหนัก6กเจ็ดสิกิโลแบกไปเธอนั่นแหละปรามัดทั้งนั้นเลย ทุกโคมนัสอันนั้นแหละก็เป็นประมาตถแต่ว่าปรามาตอันนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเขาเลยเนี่ยนะทุกโทมนัสที่เขามีอยู่โรคทั้งหมดที่เขามีอยู่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรให้เขาหรอกแต่บัญญัติทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสิ่งที่ช่วยเขาได้เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติในสิ่งที่มีอยู่จริงบัญญัติเพื่อให้เราปฏิบัติตามจะได้ทํากิจตามคําสอนเมื่อพระองค์สอนบัญญัติวันนี้ทุกคำทุกข้อเป็นบัญญัตินะเราจะได้พิจารณาเห็นเออใช่ใช่ เป็นทุกอย่างนั้นจริงๆนี่เหตุแห่งทุกข์นะเออใช่ใช่นี่เหตุแห่งทุกขนะ์นีน่ความดับทุกข์นะเออจริงนะถ้าไม่มีพวกนี้มันต้องดับทุกข์ได้แน่ปฏิบัติตามนี้แล้วจะออกจากทุกข์ได้ปฏิบัติตามนี้แล้วพ้นทุกข์ได้เราก็มีศรัทธาที่จะเจริญตามนั้นจริงๆนะเพราะถ้าเราไม่เอาบัญญัติที่เป็นคําสอนเอาไว้แล้วเราจะเอาอะไรเนี่ยนะเพราะว่าบัญญัติที่เป็นคําสอนเนี่ยนะ บัญญัติที่บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยอริยสัจเนี่ยผู้ที่ทําได้คือพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวพระปฏิเจทําไม่ได้ผู้อื่นทําไม่ได้สาวกทั้งหลายที่แสดงตามก็แสดงตามในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้เท่านั้นไม่ได้ด้วยวิสัยของตนอะไรแต่ทีนี้ก็บังละเลยจนบอกจะไม่เอาแล้วบัญญัติจะเอาแต่ปรมัตาทีนี้พิสูตรปรมัาทใช้อะไรพิสูตรใช้ทวิปัญจะเป็นเครื่องพิสูต์ ก็ต้องทุกอย่างก็ต้องอาศัยผั ส, สาะ ย, ยตนะโดยเฉพาะปัญจะปัญจะทะวารเป็นเครื่องพิสูจน์เช่นถ้าเราทุกมันจะต้องทุกจริงๆก่อนแนละ้วค่อยค่อยกําหนดรู้เพราะอยากให้เห็นปรมาทฉะนั้นความเข้าใจหลายๆเรื่องนี่เป็นเครื่องกิดกั้นตัวเองมากๆเย่าพั้นในยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่าทุกคนรู้ประตูมะอมะตะเกือบทุกคนเลยนะทุกคนทุกแห่งเขามีประตูอมะตะคนละประตูคนละประตูไม่รู้ไขกุญแจไปแล้วมันจะเห็นอะไรไม่ทราบ แต่ว่าทุกคนมีกุญแจคนละดอกคนละดอกคนละชนิดเนี่ยนะที่จะไขประตูแห่งพระนิพพานนะแต่ว่าใครมาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรทีนี้ในะตรงนี้นะขามาอยากจะอยากจะให้าศาสาานานี้ของใครอันเนี้ยที่ที่อยากจะพูดมากๆเลยนะอยากจะย้ําอยากจะเน้นว่าศาสนานี้ของใครของพระพุทธเจ้าพราะองค์สอนว่าอย่างไง แล้วผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วเข้าบรรลุเข้าบรรลุว่ายังไงอะไรเป็นต้นเนี่ยขอให้เราเข้าใจก่อนแล้วค่อยๆว่าตามท่านอีกทีหนึ่งนะแล้วค่อยๆเห็นคุณของพระตนะตรายเออเนี่ยเราตาธนาจะบรรลุแบบนี้แบบที่พระพุทธเจ้าบรรลุอย่างเงี้ยเออนะแบบสมัยก่อนเขาก็ไม่ค่อยฉลาดหรอกเวลาเขาทําบุญเขาทำยังไงบอกว่าพระคุณเจ้ารู้ทําใดให้ข้บบาพเจ้ารู้ทํานั้นด้วยอันนี้เนี่ยเขาทําบุญกับผ้าอรหรันะนะนะแล้วเขาขอแบบนั้นอนะ่ะฟังฟังนั้นมันง่ายดี คือข อ, อบรรลุแบบพระพุทธเจ้าบรรลุบรรลุยังไงเนี่ยนะอันนี้ที่น่าสนใจมากๆแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะได้บรรลุอะไรไม่ทราบทีนี้มาดูในข้อ34ต่อนะว่าทำที่เป็นสาธารณะเป็นไงนทำที่เป็นสาธารณเนี่ยนะสาธารณะก็แปลว่าอะไรทั่วไปใช่ไหมทำที่ทั่วไปเนี่ยมีอยู่สองอย่างคือนามสาธารณะนามแปลว่าชื่อนะ ชื่อที่ทั่วไปและวัตถุวัตถุคือที่ตั้งที่ตั้งที่ทั่วไปชื่อทั่วไปกับวัตถุทั่วไปนนกิเลสทั้งหลายที่พึงละด้วยโซดาปฏิมัติเป็นสาธารณแก่สัตว์ผู้เป็นมิชะตะนิยตะนนและสัตว์ผู้มีอนันยตอันนี้ใครบุคคลที่ไม่ใช่พระโซดาบัน อันนะบุคคลที่ไม่ใช่โสดาบันนี่คือใครก็คือปุตุชนปุตุชนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคืออันทะปุตุชนกับกัลยาณนะปุตุชนพวกอันทะปุตุชนก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มอีกกลุ่มที่ทำกรรมแบบนิยตะหมายถึงว่าเข้าเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิและเป็นอะไรเป็นนิยตะมิจฉาทิฏฐิกับทำมานรกรรม5อันนี้เรียกว่ามิจฉตนิยตะ เป็นมิตนิยตมิจฉาทิฏฐิเป็นอาเหตุตุกวาทะเป็นอาเหตุตุกวาทักกิริยวาาและนัตถิกะว่ามีทิฏฐิว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมีทิฏฐิว่าการกระทําไม่มีผลปฏิเสธทั้งกรรมและผลของกรรมพวกนี้เรียกว่านิยตมิจฉาทิฐิกับพวกที่ทำมานันติยกรรมฆ่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห้อพวกที่เป็นอนันยตาก็คือพวกปุตุชนทั่วๆไปนี้ก็ถือว่าเป็นอนันยตะเพราะทํำอกุศลไว้เยอะใช่ไหมค่ะสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเป็นต้นนั้นกิเลสที่ละด้วยด้วยโสดาปฏิมาคเนื่อถือว่าเป็นของสาธารณะกับปุตุชนนะสภาวะของกิเลสนี่สาธารณะเลยใช่ไหมกับปุตุชนอย่างเช่นสาการยาิธีเนี่ยธถามะสาธารณะกับปุตุชนทั่วไปไหม วิจิกิจฉาเนี่ยสาธารณะกับปุตตชนไหมศีลพัตตปรามาศ ส, สาธารณะไหมสาธารณะจริงๆพ่ามามานั่งนึกดูนะว่าปุตุชนเนี่ยมันน่ากลัวเหมือนกันมันน่ากลัวยังไงถ้าเขาจูงเราไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเราพร้อมที่จะไปเลยเอเ อ, ะเอนะพร้อมที่จะเป็นแบบนั้นเขาพาให้เราสมมติว่าเหมือนเราอยู่ๆพูดดีๆแล้วเขาพาไปเป็นศาสนาอื่นกั็พร้อมที่จะไปอย่างงี้ เป็นพุทเนี่ยพร้อมจะไปเข้ารับที่ไหนก็ได้เนี่ยนะแล้วแต่เขาพาไปบางคนนับถือไปหมดเลยยงงคือปุถุชนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นได้สารพัด ส, สารพันธ์จริงๆเหมือนกับว่าถ้ามีเรื่องหน้าขาก็ขำอะถ้ามีเรื่องหน้าเศร้าก็เศร้ า, รานะาเล่นสมบทบาทจริงๆเป็นไปหมดเลยเพราะน้พวกกิเลสเหล่านี้ถือว่าเป็นของสาธารณกับปุถุชนทั้งหลายเนี่ยนะเป็นของทั่วไปอนะ สรุปว่าอะไรที่สาธารณะกับปุถุชนอนันตริยกรรม5้ายังถือว่าสาธารณะกับปุถุชนอยู่นับถือศาสดาทั่วไปก็เป็นของสาธารณะอยู่นะก็อย่างที่เคยพูดบ่อยๆว่าระวังนะถ้าเกิดมาชาติหน้าคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะได้นับถือพุทธศาสนาถ้าความเป็นปุถุชนยังมีอยู่ในใจพร้อมที่จะนับถือได้ทุกศาสนาถ้าได้เหตุผลที่สมควร นะได้เหตุที่พอเหมาะใช่ไหมไ ด, ได้เหตุที่พอเหมาะเราก็พร้อมที่จะไปเป็นในทุกลัทธิไปทําลัทธิทาปาณาติบาตก็ได้อธินาทานก็ได้ไปดื่มสุราเมรยัยพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างเลยนั่นคือโทษของความเป็นปุถุชนพราะกิเลสทั้งหลายความทุศีลทั้งหลายนะความทุศีนทั้งหลายอนันตริยกรรมทั้งหลายนิยตมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายถือว่าเป็นของสาธารณะสําหรับ ปุุชนเหมือนกับว่าประตูอบายเนี่ยเป็นประตูที่สาธารณะใช้สอยสำหรับปุตุชนนะประตูอบายเนี่ยประตูนรกเนี่ยเปิดไว้เสมอสำหรับปุตุชนบรรใครพลาดก็ถูกเผาสักพอยนะสักหน่อยไม่กี่แสนปีหรอกนะถ้าเทียบกับวัดอันนานนะวัตามันยาวไม่มากใช่ไมไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดถูกเผาสักสองสามแสนปีก็ไม่เท่าไหร่ แต่ว่าชีวิตที่มนุษย์ที่มีอยู่เนี่ยนะโอ้ยมันไม่กี่ปีเองอะนะเหมือนยาวเหลือเกินนะเหมือนยาวจริงๆเลยนะก็ใครจะรู้ว่าความไม่สบายเนี่ยจะมีขึ้นสุขภาพจะแย่ขึ้นอะไรขึ้นนะนะพอามาช่วงนี้มาได้ตารบถึงปนานาคนั น, นะนก็ใครจะรู้ว่าเนี่ยพอได้เหตุนิ ด, นดๆหน่อยๆก็เอาแล้วนะจริงๆถ้าเป็นคนอายุน้อยๆนะก่อนนี้ก็ฟื้นไปไหนปลอแล้วตอนเนี้ย แต่นี้พออายุมากขึ้นอะไรมากขึ้นบาวันถามพราสรงก็บอกโอ้พ่อแก่แล้วก็อย่างนี้แหละเรางั้นคือมันก็อันนี้นิดอันนั้นหน่อยซ้านิดตรงนี้หน่อยก็อะไรซุดลงสุดลงสุดลงโครงการจะไปทําบุญใหญ่ก็เลยอดเลยนะก็ก็หลายเรื่องแต่ถามว่าที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไร อ, ะอั น, นยะตะนี้ โลภาทิฐิขตะสัมปยุตเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นนิยตะกับอนิยตะทิฐิขตะสัมปยุตที่เกิดร่วมกับอหิตุกะทิฐิอกิริยะทิฐินัติกะทิฐิอันนี้เป็นนิยตะไอคําว่านิยตะเนี่ยแปลว่ามันแน่นอนใครแก้ไม่ได้อะนะพระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้ใครก็ไม่ต้องไปแก้เขาทั้งนั้นแหละนะพวกนี้เป็นเป็นนิยตะ สมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีเช่นพระอริ tha ในอัลคัตูปมาสูตรกับสัมเนนกันตกะในพระวินัยเนี่ยนะสองคนเนี่ยพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิถึถงขนาดพระพุทธเจ้าแก้ไม่ได้อะคิดดูเขาดิ่งขนาดนั้นนะนะคือบางคนเนะ่ยเชื่อถ้าเขาได้ลงได้เชื่ออะไรแล้วนะโอ้ไม่ต้องคนอื่นไม่ต้องมาแก้เขาหรอกเนี่ยนะเขาดิ่งอยู่ยงั้นเนี่ยเขาล้อมกรอกตัวเองจนบอกไม่ต้องมายุ่งกับเขาเลย ทิฐิของเขาเขาจะอนุรักษ์เอาไว้อย่างนี้แหละเขาถือว่าอย่างนี้เป็นความถูกต้องอันนียตมิจฉาทิฐิบางกลุ่มแก้ได้บางกลุ่มแก้ไม่ได้นะกับบางพวกเนี่ยนะส่วนโทสะที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ถือว่าเป็นนิยตะแนะ่นอนที่ทำสังฆเภทที่ทำอนันตริยกรรมเนะี่ยนะนี่แน่นอนส่วนที่ไปทำอย่างอื่นนี่เรียกว่ากลุ่มไม่แ น, น, น่นอนแน่นอนที่เอาอะไรเป็นเครื่องวัดก็เอาผลที่จะได้รับเป็นเครื่องวัดว่า เหตุตัวไหนแน่นอนกับไม่แน่นอนนะนไอ้ที่แน่นอนหมายถึงว่าทําเหตุแล้วผลเนี่ยต้องได้แน่นอนเช่นอนันตริยกรรมเนี่ยนะทำเหตุได้แน่นอนนะนะจุติวันนี้ขณะ จ, จิตต่อไปถูกเผาในนรกแน่อันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่างผู้ที่ทําปาณาติบาตเป็นต้นทั่วทวไปที่ไม่ใช่ข่าพ่อข่าแม่แน่ไหมไม่แน่นะถ้าประมาทก็แน่ แต่ว่าไม่ประมาทได้ไหมเออได้ได้ก็เลยบอกว่ามันไม่แน่นะการมราคะและพยาบาทเป็นสาธารณะแก่ปุตุชนกับพระโสดาบันนนะหมายความว่านางวิสาขาเนี่ยนะถ้าหลานมันน่ารักก็ยังชอบอยู่ใช่ไหมหลานตายก็ยังตรองให้อยู่พระพระโสดาบันปุทุชนโสดาบันนี้ก็ยังมีการมราคะและพยาบาทเนี่ยนะนะ โดยที่สุดแม้กระทั่งผ่าระยะแล้วก็ยังมีการมราคะและพยาบาทอยู่เพราะอะไรเพราะว่าการทําปริญญาของท่านเนี่ยไม่ได้ทําปริญญาพอที่จะถอนการมราฆะกับพยาบาทได้เพราะพระโสดาบันเนี่ยทำปริญญาเพื่อถอนสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีละพระตปรามากพระสกท า, าคามีเนี่ยทำปริญญาเพื่อที่จะถอนการมราฆะปฏิฆะอย่างหยาบ พระนาคามีรำปริญญาเพื่อจะถอนการมราคาปฏิฆาอย่างละเอียดผ่ารหัสเพื่อที่จะถอนรูปปราคาอรู ป, ปราคามานะอุทะจาวิชาพั้นถ้าหากว่ายังไม่ได้ถอนก็ถือว่าเป็นของสาธารณโยกอุธรรมภาคียสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องบนห้าเนี่ยนะรูปราคาอรูปปราค า, ปป า, คามานะอุทะจารเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นสาธารณแก่ปุถุชนและพระนาคามี กิเลสนะปุถุชนเนี่ยกิเลสนะั้นมีเท่าใดปุถุชนขอมาหมดเลยมีส่วนหมดทุกเรื่องมีไปขอเอี่ยวขอหุ้นเข้ามาหมดส่วนถ้าอริยาสาวกย่อมเข้าโลกิยะสมาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโลกิยะสมาบัติทั้งปวงนั้นเป็นสาธารณะด้วยความไม่ปราศจากราคาคือหมายถึงว่าสมาบัติ8นะยังเป็นอารมณ์ของราคะอยู่ใช่ไหม ถ้าสมาบัติแปดไม่ใช่ของพระอาหารหันต์นะสมาบัติเหล่านั้นยังเป็นอารมณ์ของราคะพระโสดาบันพระสกท า, าคามีพระนาคามียังชอบสมาบัติอยู่เรียกว่าติดใจในสมถะอยู่ติดในความสุขที่ได้ช้านโยท่านติดในสุขเนี่ยนะเพราะท่านไม่ปรินิพพานเพราะท่านยังติดในสมถะและวิปัสนาที่ที่เป็นพระนาคามีนะอนพระนาคามียังมีรูปประาคาและ อรู ป, ปราคาพันโลกิยะสมาบัตถถือว่าเป็นสาธารณะของกิเลสเนี่ยนะเป็นสาธารณะของกิเลสของปุตุชนและพระนาคามีแท้จริงธรรมะที่เป็นสาธารณะทั้งหลายย่อมไม่ล่วงพ้นวิสัยซึ่งกันและกันอื่นๆของตนด้วยประการชนี้แม้บุคคลใดประกอบด้วยธรรมเหล่านี้บุคคลนั้นก็ไม่ล่วงพ้นธรรมะนั้นธรรมะเหล่านี้ชื่อว่าเป็นสาธารณะเนี่ยนะมันทั่วทั่วไปนะเหมือนอะไรนะเหมือน สวนลุมพินีสวนจตุจักรเป็นต้นเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นของสาธารณะนะใครจะแวะเวียนไปใช้สอยไปเที่ยวก็ได้นะพิพิธภัณฑ์ก็ถือว่าเป็นของสาธารณะถ้าไปถูกเวลาก็ได้เข้าชมได้เป็นต้นนพระเจดีย์ก็เป็นของสาธารณะมีศรัทธาเมื่อไหร่ก็ไปกราบได้กันนะก็สาธารณะแหละว่างั้นทีนี้มาดูทำที่เป็นอาสาธารณะเนี่ยนะไม่ทั่วไป พึงแสวงหาอาสาธารณะโดยอาศัยเทศนาให้ตลอดพึงแสวงหาในบุคคลที่ท่านกล่าวว่าเป็นเสขะและอาเสขะผู้ที่ควรบรรลุและไม่ควรบรรลุเห็นไหมก็มาดูนะว่าบุคคลเนี่ยบุคคลเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุงง่มใช่กลุ่มที่เป็นเสขะกับอาเสขะควรบรรลุกับไม่ควรบรรลุคือพัพพะอาพัาพเนี่ยนะพวกพัพพาอาพัพพวกอาพับกับพวกไม่อาภัพเนี่ยนะ การมราคะและพยาบาทเป็นสาธารณะแก่พระโสดาบันสภาวะธรรมเป็นอาสาธารณะคือพระโสดาบันเนี่ยนะยังมีการมราคะและพยาบาทอยู่ใช่ไหมใช่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดพร้อมกันไหมเกิดด้วยกันไหมไม่ด้วยกันไม่พร้อมกันนี่แหละชื่อว่าอาสาธารณะ น, นะแต่ว่ารวมๆเนี่ยเออยางสมมติว่าทุกคนเนี่ย ยังมีกรารมรรคคามีพยาบาทใช่ไหมบอกใช่เกิดพร้อมกันใช่ไหมเกิดที่เดียวกันด้วยไหมขณะเดียวกันไหมไม่ใช่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอส า, าธารณะอุธรรมภาคยสังโยตเป็นสาธารณะแก่พระอนาคามีสภาวะธรรมเป็นอาสาธารณะอย่างเช่นท่านอนาคามีเนี่ยนะก็ยังมีรูปประารคา่ารูปปราคามานะอุทจวิชาแต่ไม่ใช่ว่าสภาวะนี่เกิดพร้อมกันเกิดขณะเดียวกัน สมมติว่าทุกค น, กค น, คนต่างคนต่างคนก็ต่างเป็นของที่ของเฉพาะตัวนะก็เลยถือว่าเป็นอสาธารณะพระไตรปิฎกที่เราอ่านนี้เป็นสาธารณะหรืออสาธารณะสาธารณะแต่เล่มที่เราใช้อยู่สาธารณะหรืออสาธารณะอาสาธารณะอย่างหนังสือที่เนติปรกรณ์นี้เหมือนเหมือนกันใช่เหมก็ เ, เหมือนเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าสาธารณะทั่วๆไปเอาแล้วเล่มของใครเขาโน้ตชื่อไว้อันนั้นจะเป็นอาสาธารณะ พวกกิเลสก็ลักษณะเดียวกันชื่อของพระเสขบุคคลทั้งปวงเป็นสาธารณสภาวะธรรมเป็นอสาธารณใช่ไหมชื่อคือนามเนี่ยนะเออเนี่ยนางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันอนาสะท่าเออเข้ไปอนาถาบินทิกาเศรษฐีก็เป็นพระโสดาบันท่านนก็เป็นพระโสดาบันโสดาบันนี้ปนแปงว่าเป็นชื่อสาธารณะทั่วไปแต่โสดาปฏิมรักของแต่ละท่านเหมือนกันไหม ไม่เหมือนเนี่ยนะคนละอย่างกันชื่อของผู้ปฏิบัติทั้งปวงเป็นสาธารณะสภาวะรมเป็นอาสาธารณะอย่างเช่นพรหมวิหารเนี่ยนะเออกลุ่มเราเนี่ยเรียกว่าผู้เจริญพรหมวิหารเลยแต่สภาวะของผู้มีพรหมวิหารเหมือนกันไหม <c oughs> ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอย่างผู้มีปัญญาเนี่ยพระสารีบุตรก็มีปัญญาพระอานนท์ก็มีปัญญาพระมหาโมคคลานะก็มีปัญญาถามว่าปัญญาเหมือนกันไหมไม่เหมือนเหมือนว่าแสงสว่างเหมือนกันแต่ว่า เท่ากันไหมไม่เท่ากันจะว่ามีส่วนเหมือนแล้วก็มีส่วนต่างอยู่จะว่าเหมือนก็ใช่จะว่าไม่เหมือนก็ไม่ใช่ันนี้ยแค่เราว่าแบ่งแบบสาธารณะกับอาสาธารณะเนี่ยนะศีลของพระเสขทั้งปวงเป็นสาธารณะสภาวะธรรมเป็นอาสาธารณะพระโสดาบานันทุกท่านจะ ต, ต้องมีศีลห้าอันนี้แน่นอนเจตนาที่เป็นเหตุให้ทุศีลไม่มีเลยแต่ว่า สภาวะธรรมคือกุศลศีลก็ของใครก็ของใครนะก็ของเฉพาะตัวเฉพาะตัวไปควรสแสวงหาธรรมที่เป็นอาสาธารณะโดยอาศัยสิ่งที่เลวประเส ร, ริฐและปานกลางอันนี้เป็นเครื่องวัดนะนะแบบเอาธรรมะอย่างเลวคืออกุศลธรรมะประเสริฐคือโลกุตระธรรมเป็นต้นหรือปานกลางพวกกุศลเป็นเครื่องมาจําแนกว่าอะไรทั่วไปอะไรไม่ทั่วไปอะไรเป็นสาธารณะอะไรเป็นอาสาธารณะเนี่ยนะ ด้วยการแลดูธรรมะอันพิเศษในโลกิยธรรมทั้งหลายก็มาดูจำแนกแยกแยกดนนะดูว่าเป็นกุศลอกุศลหรือว่ากามาวจรกุศล ร, ร, ศรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลมาจำแนกแยกแยะดูว่าใครเป็นอย่างไรอันนะั้นอันไหนสาธารณะแค่ไหนอย่างเราฟังธรรมเนี่ยกุศลจิตที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสาธารณะใช่ไหมกุศลจิตเทศแต่ละท่านเกิดทั้งมวลเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสาธารณะ แต่ถ้าสภาวะของกุศลแต่ละคนก็เป็นอาสาธารณะไม่ทั่วไป